มันก็ออกมาเตียวเป่าถือทวนเตือนหินถือเงามึงขาวหุนขาวขีนมาขาวทหารถือธนขาวนำมาหนีหรบเพื่อวางแคน่ะเตียวเป่ามึงก็ร้องบ่าส่วเหมือนที่เราว่าไอเ้เด็กน้อยมึงบังอาจจองหงมาสู้กับกองทัพเพื่อพระยดามึงจะถึงแก่ความตายแล้ว คุณหุ่นก็ร้องด่าเตียเปล่าด้วยวะมึงยังบังอาจอวดตัวเป็นทัพเพื่อเพื่อพญานาอีกเล่าก็พ่อมึงหลกขาดตาแล้วมึงก็ยังจะ ต, ต้องตายตามพ่อมึงไปด้วยโอ้โห و, เขาด่ากันอย่างนี้เตีเป่าโรกรธนะมันด่าว่าพ่อหัวขาดด้วยก็จริงเตียวหิถูกขาดตายถูกตัดหัวมันนี่เตีวเป่าโรกรธ รวบมารำพวนเข้าไปจะสู้กับชุนหมวนเกียเสงมเอกขุนหวนก็ขี่มา้าถือพวนยืนดีหลังขุนหมวนน่ะก็ขึ้วบม้าตัดหน้าขุนหมวนดูเ็าออกม า, รบ ก, บกากกรบกับเตียวเปล่าเกียเงก็ฝมือดีสู้รบกับเตวเปาโดยประมาณสสเพลงเตีวเป่านั้นก็ฝีมือเข้แข็ง ท, งทงรงพลังนะักบเกียร์เสง จะสูดเตียเปล่าไม่ได้ผมจะพูรั้จะเสียทีกัเียวป่าก็ควบมือหนีเตียวเป่าลูกฉาบเสือได้พรีจั้นก็ร้องให้ติดตาไปทเดียวหรืออีเห็นเตี๋ยวสงเพื่อนเต้นควบมือหนีหรืออี้ก็ควงขวางคู่มือควกมือรํ้ขวางออกมาลบกับเตียวเปล่าได้ประมาณยี่สิ ทหยทหารของขุนเหมือนเห็นว่าเตัวเป่าวมันมีกำลังมากอยูอเย่เจียเส็งจะสู้ไม่ได้ลี่ี้เข้าไปสู้เว้วยก็เกรว่าลิอี้นี่จะแพ้ท่านหยงก็ยิงเกาทัาทานไปโดยสิ้นเดียวเกาทันมันไม่ถูกเตียวปาวหรอกแต่ไปถูกม้าเตีเป่าเข้าเตีเป่าเป็นม้า็นถูกเกาทันเจ็บนะก็ชัมาถอยออกมาแต่ยังไม่ทันจะถึง ทหารของตนล็อกมาก็ล้มลงมาเตียวเปล่าล้มลี้วหินก็ขบมากลับมาเมื่อขวานจาะฟังศีรสะเตียวเปล่าที่ล้มอยู่กับมา้านะข้างฝ่ายกนหินแลดูเตียวเปล่ารบกับนิีวสูกันแล้วเราเห็นถหยนยิงเกาทามาถูกม้าเตียวเปล่าอ่ะก็นะหินเนี่ยจับม้าถ้ำหย่อนได้นนไดแล้วก็โดเนเตียวเปาขับมา หลัออกมาเวเองก็ไปคอยพีลเห็นนี่งป่าเข้ามาจะเอาขวานฟันเหวียงเาเล่าดิเวลึก็ร้องตะหลาดดเสียงมันดังทีเดียวแล้วก็วันไปด้วยแหวแหวพอ่อเหนวขอวนอต่แหนววันนี้มีชื่อว่ า, งงาวอลมาคาฮะนะเอาเ่ลึงันไปด้วยแหนวถูกวิ่งอี หาเสือของสุเหลวตายเตียวป่าก็รอกมาได้มาของตนถูก 9, เกาพันเกล็ดอล่มลงแรงก็หมายความมาเลยอะเตือวป่าก็เอามา้ตัวใหม่ามาขีดม้าผูมี้กำลังอยู่มาขีดแล้วทีนี้ก็เตือป่าเมือนหินทั้งสองนี่ะได้ขีดก็คนหมาล้อยติดตามกองทัพสุนเหลวสุนเหลวพวกเสือทหารผูใหญ่เสือทานเอกไปยันนีอนี้ก็ตกายนะ ไปมารอเรียกทหารปลับเข้าค่ายเลย บอกถามออกมาหน้าใครเวป่าเอวหินก็ยกหานออกมานกันอวินก็ร้องว่าไอ้ซุ้มัวนหุ่นดีรยกเอามารบกับูอะุวนี่ก็โกรนึกควบมารำเงวออกมารบ ก, กับเ อ, หอวหินหินก็ใช้งาเพ่งเงาบนหลังมาทั้งสประทะหหั่นกันได้ประมาณห้านิเลย จารับเงามิรมาฆะของลวนหินได้เนี่ยบ้านทานแต่ละครั้งแต่ละเพลงนี้ฟังสะท้านไปทั้งแขนเมื่อพิจารณาว่าจะทานกำลังมีไหวก็ทากมาหนีไปเบี้ยวเป่ากวหนหินก็ควบมมาไลยตามหอปัน้นก็พาเบวหลัตงตอนสิบไล่ตามไปด้วยเกีอเป่าไล่ไปพบเทียเส้นเข้าก็ให้ฆ่าเตียเสนตาย พี่ที่เกียเซงสงทหารเอกของุหวัวจบซึ่งอีกไปั้งคู่แล้วฝ่ายทหารซุเหวนก็แตกแตกระจากระจร่น่าเปนมากไปอยู่ซหัวก็ไอ้นยามตีมาอรอกองค์ทหารกลับเข้าขาฝ่ายกวนหิงกวนหินวันหิน เ, นหนเห็นทำโยนีกแต่ทำโยมคนนี้แต่เมื่อวานนี้ใช้กนโกนทาหารขาด แคทหานกล้านะคือรอบเอาเกลียวแทงมีนเียวเป่าไปถูกมาเตยวเป่าตายเนี่ยวันหมิจำหน้าไว้ได้นี่วันหลงเนี่นก็แคร์นักควบมาร่าตามไปแทก็ฟันด้วยเงาเอา่าทำหยงก็ทวนรับเงใหญ่ที่มันหนักมากของวันหมิงฟันทวนทวนของทำหยงทวนทำหยงพัดตกจากมือ วนนึ่ก็คว้าจับตัวได้มีรักและกลับมาค่ายโดยทีเดียวหายเตียวเปล่ากับทหารจันเกิลหลักเมื่อไล่ตีทับสิน้นหวนแต่แต่แล้วกลับมาค่ายมีเป็นคนจังหวัดกันตีวเป่ากลับมาถึงค่ายไม่เห็นควรหนึ่งเรียน้องชายรับเมื่อเห็นควรหนึนหนนนนนนจะน้องชายก็ตกใจมากทีเดียวก็ร้องว่ะ น้องข่าไปแล้วเขาจะอยู่เป็นคนไปยังหุ่นเดียวดายหุ่นทีเดียวไม่เห็นงงแต่ละมือกูตัวกูควรหุนตายแล้วนี่น้องฆ่าไแล้วเขาจะอยู่เป็นคนไปยังไวันแล้วก็ควบมาไปตามหาคนี้พนควบไประมาณหนีนะสิ่นก็เลยมีคนขี่มามามีสานะถึงเงาห น, นะมีขวาอ่ะตงนี้แขนขวาเถะจับานมีรักแรมา เป็นๆดันนงนั้นหนึ่คนเขดีใจนะเบี้ยวป่าก็เข้าไปร้องถามว่าน้องข้าไอ้คนนี้มันเป็นตัวสําขันนะเหรอเมืนก็ตอบว่าไอ้คนนี้แหละที่เมื่อวานเนี่ยมันยิงเกาทัน 9, ถูกม้าของพี่นะเบี้ยวป่าก็ดีใจนะทีเดียวก็พากันกลับมาค่ายแล้วก็ตัดทิศทำอยู่เส้น มาของตนที่จบสิ้นชีนวิตไปเมื่อวานด้วยการทันของทำยงเนี่ยเอาแล้วก็แต่งมือมือมีใบบอกห้มาใช้เขาไ ป, ปรกราบทูนเกิดพระเจ้าเหล่าปีว่าเบฆ่าลิอี้ียเซนทำยงมีถานเอกมีชื่อของฝ่ายปรกูกับพระหารท์้เปียของข่าักติดล้มายเป็นอันมาก กองทัพสุนหวนแต่กระสังกระสายมนีกลับคืนเข้าค่ายบัดนี้สุนหวนให้มีมือสไปถึงคืมควนขอกองทัพหนุ่มี่เป็นรายงานฉบับแรกที่ถูกส่งเข้าไปยังกองทัพหลวงเพื่อกระพุมความให้กับพระเจ้าเหล่าปีไส ม, สม่สงสัย แม่องขวา น, น, ว น, น, าานเน่ยหอปั้นถ้าว่าเปแม่ที่ใญ่็แม่ทับหน้านะมีเตียงหลงป็สก็ว่ากัน ยกกองทัพเรือขึ้นมาช่วยก็จะกลายเป็นทัพเรนาแล้วกองทัพราวจะไม่วิ่นวายเลยเตียวหลังก็คยูว่าที่ทา่านวานี้ก็ชอบอยู่แต่การอนนี้ก็พอจะคิดแก้ไขคือขอให้เตียวเตาเอวนิงเนะี่ยคุ้มหันไปซุ่มอยู่สองฝาทางซึ่งจิงเหวียนจะยกขึ้นมานั้นแล้วเราก็ยกเข้าปีไขาจิงเหวียน ถ้าจิวเหวินทับเรือเขายกขึ้นมาช่วยกันก็ใหเกลียวเปล่าเกลวหินเนี่ยตีเกหนาบเข้าไปกองทับจิ๋วเหวินจะแตกยับเยิยนไปเราก็จะทิ้งค่าสึมเหวินได้เป็นมั่นคนงหมอปั้นก็ดีว่าดูที่ท่านคิดดังนี้ก็ดีอยู่แต่ขา้าพเจ้ายังเกรงอยู่ว่าจิเหวินเนี่ยอาจจะไม่ยกมาช่วยอ่ะข้าพเาจ้าคิดว่าถ้าทหารเรือต่ ส, ส, สักสสมคน ว่าเพื่อสงถานโดยไปว่ามีความโกรกความแค้นกับเราให้ถามเดยนะเขาไปสมัครอยู่ด้วยกับจูเหียนและใ่้บอกเนื้อความว่าค่ำวันนี้เราจะไปเพิ่มข่ายซุนเหวนเมื่อจูเหียนรู้จูเหียนก็จะต้องกาบเรียนกองทัพที่จะมาช่วยซุนเหวนนี่คลังเหล่าแสงเพลงจูเหียนก็จะยกท้าขึ้นมา มเปลือเปาที่เราให้ไปสุ่มหก็จะตีกระนาบเข้ามาได้การนี้ก็จะสมหมายเห็นว่าจะแพ้เราทั้งทัพ บ, บกทัพเรือมีวางแผนกันไปวางแผนกันมาปกลงเอาดังนี้ปรงสิธิ์เปลือกลำ้ำงรนอปันปรึกษาการกต น, นี่ก็หมุนด้วย อยู่ด้วยละจะไปสมัครเด็กอูเย็นแลก็บอกความรับดิละเอานี้ทหารที่สนิทก็ออกไปข้างฝ่ายจิ้เหยียนได้ยินมาชัยมาบอกว่ากองทัพโกขมิลหัวนแตกกระจัดเกิดใจนี่ข้างฝ่ายจู้งเหยียนรู้ความพลาดแท้ทางกองทัพโบเออก็คิดจะยกทัพขึ้นไปช่วยละ ก็คนมีถรมมาบอกว่าจับคนได้สามคนแถวตัวเข้ามาเอาห่หมอตัวเข้ามาก็สอบถามดยเพาท่ า, เ น, า, ท า, านเป็นฐานผู่ใดมาจัดหมอย่างไรกันก็ถามทั้งศาลนี่ที่หมอปั้นส่งมาเนี่ยก็บอกว่าข้าเพาเจ้าเป็นหานของหมอปั้น ที่ขั้นไฟที่หั น, นั้นก็เรียกหาทหามาปรึกษากันระวัางมอตันเนี่ยจะเข้าปลุมไข่ซุ่นหววเราจะยกรับไปช่วยเฉลิมประการใดคุหูนฐานผู้หนงก็จริงว่าทา่านจะพึ่งไว้ใจเชื่อฟังคำไอ้สามคนนี้ก่อนถ้าเชื่อฟังคำมันแล้วข้าพเจ้าเห็นว่า จะต้องเสียทั้งทัพ บ, บกและทัพเรือขอให้ท่านระวังรักษาทัพให้มั่นคงดีกว่าเพื่อข้าพเจ้าจะขออาส า, าคุณหนานขึ้นไปช่วยซุนหอวเองเวลาท่ำวันนั้นงอปัน่นฟองสิเตียวลังเด็กคุณหนานก็เปื่มย่ายสุนหอวตามแผนจุดเทอมเผา่ายขึ้นแสงเทินสวางซหืู หของจูเหวียนทางท า, งทางนท่าเรือเนี่ยอาสาไป้แล้วให้จูเหยนียบอกไปตัอไปเองบอกตอนเองจะอาสาไปเองซูหัวเห็นแสงเทียนก็รีบเดินทหารไปทีเดียวเพลีวปาวควรหนุนซส่มอยู่สองฝ้าค่อยทำหัวร้องตีกระหนา่อมลมาทั้งสองข้างสูหัวก็ตกใจก็ทั้งรุ่งก็รุ่งอู่แะแต่ดูมาตระจนคนนี้ก็ตกใจนะจะขถอยทัพก็มีทั ใครเห็นเตีวเปล่าขี่ม้ารำเวนเข้ามาซียหูซุ่ซได้เพียงเพลงเดียวก็ซึ้นแรงอาวุธพลัดตกจกมือเตียวเป่าฝฟาเทวนมาแต่ละครั้งสนั่นนะเพลงเดียเท่านั้นซุยหูอาวุธพลัดตกจับมืเลยเตียวเป่าก็เข้าจาับตัวซียหูมีบักแล้วมาบางมังทำหนุนควรหญิบเลยฐานเตวเปล่าฐานควรหญิบ ก็รุมฆ่าฟัฟนฐานซีรูล้มตายไ ป, ป็นมากทีเดียวที่หนีไปก็นีที่หนีไป ก, ก็กลายเป็นกองทัพเรือเขาไปแจ้งความกับปีเหรียญแม่ทัพเรือวัดทัพซีหูที่อาสาไปเป็นแตกแล้วปีเหยียกตกใจล่าทัพเรือถอยไปจากที่นั้นไกลออกไปประมาณถึงหกร้อยเซน ซุนหวนนั้นก็พาฐานแหกค่ายหนีไปซุนหวนปลูกหมอปั้นไปอีเครื่องนำเข้าฐานไม่ได้แหกค่ายหนีข้ทหังของหมอปั้งก็ไล่ติดตามฆ่าบฟันทหารของซุนหวนร้นปายเป็นมัดซุนหวนก็พาฐานหนีไปไกลเมืหนีไปไกลแล้วก็ปรึกษากับฐานนั่นพูดว่าเห็นบ้านใดตํบบดาบลใดจะมีข้าปลาอาหารบริบูรณ์บ้างเราจะได้อาศัยณที่นั้น ทางหวง ก, ก็บอกว่าไปข้างหน้าเนี่ยมีเมืองชื่อว่าเมืองอีเลิงมีข้าปลาหันบริบูรณ์พอที่จะพึ่งพาอาศัยได้ซึ่งเหลองก็พาฐานไปตั้งมั่นอยู่ในเมืองอีเลิง พระเจ้าเหาปีพระเจ้าเหาปีก็มีความดีนึกฝันไปถามเอาตัวซืรูหนี่ไปฆ่าเนี่ยแล้วแบบบำเด็ญรงวันจะ่ไม่ทับไม้กองไปถานนั้นปว่วนสิมีความชอบนั้นเดยทั่วกันเขาขัานข้าในเมืองอีหลิงที่ซึ่งเหวิน ร้ อ, เรองเมีนว่มึนคงก็ตกใจนะก็จึงเริมาใช้ถุงถือไปถึงได้เจ้าซุนเหวนแก่แงกอเหตการแล้วก็ขอกองทัพหมู่น้มาช่วยเพอเจ้าสูเนเหวนเอเื้อซุเอนเหวินถึงใจว่านักพลังของตนละอับผ่ายแพ้ดังนั้นเสียทีจึงก็ตกใจพี่ขาคนเั้นทั้งหมดมาพร้อมกันแล้วก็ปรึกษากันว่าซุเนเหวนทับโที่อาสาไป ่าดแผลเสียทหานแาะฝ่าราบุธมากมายหนีไปอยู่เมืองอีหลิงข้าสก็ตา ม, มาล้อมได้มั่คนคงอย่างนี้เห็นจะเสียทีอยู่ฝ่ายข้าสุดมีกำลังมากนะขุณนายทั้งพวงจะคิดอ่านประการใด เป็นจีไา่เล่งทองปวเที่ยงมิดเ ก, กินทหารให้สิบหมื่นยกไปตั้งฐานก็เห็นพอจะได้เดี๋ยวเกียววาดังนี้ซึ่งกวนได้ฟังหงชอบบุดรู็สั้งให้เตรียมฐานสิบหมื่นั้คุ้นมานใหเป็นแม่ทัพแม่กองตามคาติดเดียวเกียววานันนี้คือหันโตมเป็นแม่ทัพเหลวองจีไผ่เป็นตลาดทัพปวดเที่ยงเป็นทัพหน้าเล่งทองเป็นทัพหลังล่ะ ตั้งงแล้วก็ยกทับเร่งไปครั้งนั้นกำเริบหน้าตื่นด้วยเป็นบิด โเกณฑ์ทัพไปบทขยี้เหล่าปีอะไรตอนนี้เหล่าปีเกณฑ์ทัพไปบทขยี้การตังหนึ่งแล้วก็เป็นมูลใหญ่แมูล ใ, ใหญ่คือหินเสียชวนถึงสองควนเกณฑ์ทัพไปทั้งสิ้นถึงเ็ดสิบสามหมื่นการตังเกณฑ์เท่ามาแต่ละครั้งทั้งแหวกห้าหมมาครั้งที่สองีกสิบหมื่นเอาระบัดนี้พรเจ้าเราปีศาจให้ตั้งค่ายรายไปสี่สิบค่าย ออกวัดจักการพนังเแล็กนายฐานทั้งพวงก็เข้ามาเฝ้าแหนพร้อมกันแล้วนี่เปียวเป่ากวนหินก็จึงคิดว่าหลานเราทั้งสองนี้มีความชอบนะแล้วก็แลไปดูบรรดาฐานผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คือฐานเก่าคู่ประทัยทั้งหลายแต่ก่อนนะนกะะ็เนี่แก่ชราเยอะมากแล้วกยไม่ เ, เสียดายนะ ก็จึงกล่าวว่าเราทำสงคราม พระเจ้ารปีว่ายังไม่ทำจะสิ้นคำก็มีฐานเอาเนื้อความเข้ามาทูลว่าบัดนี้ฮันเตงจีไพแห่งกังตังโบกกองทัพออกมาแล้วพระเจออ้ารปีได้ฟังก็คิดจัดแจงกองทัพจะให้ไปตีฮันเตงจีไแล้วฝ่ายฮองตาางนายฐานผู้ใหญ่อายุเด็กเจปีเศษ เป็นฐานแก่ไม่ได้ก็พระเจ้าเราปีปัารบอยู่เนี่ยว่าฐานเก่าๆต่างก็เท่าทาราไปตำตามกบบอย่างนี้ได้ยินพระเจ้าเราปีว่าอย่างนั้นนี่ยมายฐานผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เป็นผู้เท่าผู้แก่ไปหมดเลยมันจะไมไรับ้งการเนี่กอบนี้บางอาจี่จะถึงกับโกรธพระเจ้าเราปีรอกแต่ให้มีมานะคิดขึ้นดีเลย ว, ว่าถึงแก่ก็จริงแต่ก็ยังมีกําลังว่องไวอยู่ ตัวอะไรแก่ฆ่าสิครั้งหองตนได้ยินเขาทูลว่านายฐานผู้ใหญ่ของสุ่มกวนเองการตางยกกองทัพนก็ดีใจมากละหรือว่านายฐานรุ่นเดียวกันนี่ก็ออกลับครั้งนี้เราจะได้ออกสุดปล่อยแก่เพื่อแสดงกาลังกระตุ้นใ้ปราบอดแต่ฐานหนุนฐานปวงห้องตนคลิป ด, ดังนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้กลับพูนลาเลย ออกไม่กลา้าไม่ทุนไม่ลาออกมาก็ใยฐานของตนหกคนคุณเป็นที่ไว้ใจได้แหละที่มาเตรีมไปเมองอี๋งคายฐานมาพูนเงินนั่ง น, นั่นออาางนี่มาแรงนั่งค น, นั่งคนั่งได้ฝาบความก็มีความก็ไปทุนแต่พเจ้าเปี่เราบัดนี้ห้องโ ต, งไตนได้พาสมัครพร้พวกหกคนดดวยกันไปเมืองอี๋งจะไปรบข้าื้อ หรือว่าจะหนีเข้าไปหาค่าสุดเป็นกระต า, านใบมิใบแจงอืมคือมันยากเหมือนกันพี่จะให้ตัดสินใจว่าไปรบมาพราะไปกับพวกอีกหกคนนั้นเองเจ็ดคนอย่างนี้จะไปรบพามจับสุดชิงมืออีเหล่งก็อย่างไงอ่ะก็ที่มีความคือจะไปรบหรือจะไปเข้ากับฆ่าสุดมิใบแจงเพื่อเจ้าเราปีใบฝันก็เซ็พระสวนเลยคือว่ารู้มีสายหอมต้มได้ดี ปีก็รู้ว่าฮองตงคนนี้เป็นคนสะตซื่อแต่ก่อนกับกวนอู น, นั้นก็รักกันนะอั่นว่าฮองตงจะเป็นขบถหนีไปเข้าเดชาศึกนั้นหา เหนือเหนว่าห้องตงไปครังนี้นะเห็นจะเสียการหลานทั้งสองเห็นแก่เมืออยากเลยจนไปช่วยห้องตงด้วยเถิดถ้าเห็นฮองตนทําด้การได้ความชอบสักหน่วยนึงก็จงไปบอกว่ า, เ, าเราให้เหอกหาจะให้ห้องตงเข้าทำ ถามว่า ท, ท่านผู้เฒ่ามือได้กิดราชการอันใดอ่ะท่านี้เรียกท่านผู้เฒ่าอีกแล้วฮองตงก็บอกว่าเราทำริจการอาสาพระเจ้าเราปีมาช้านานแต่ครั้งลบมือปิอสาก่อนที่จะได้เสฉวนมัตราคุ้เท่าจนบนัดนี้อายุเรากปเจ็ดสิบเศษกิน มี้ละสิบช่างอู้หูก็าหกกิโลนหครับมือยังถือเก่าทางหนักสองร้อยช่งางได้อยู่ขี่ม้าเดินทางด้วยวันละห้าพันเ้นควรนะรึเพื่อเจ้าเราปีเมื่อปีเตืียนว่าเราแก่ชาราทำราช ก, การไม่ได้เรามีความม้อยใจนะจึงมาทางนี้หวังจะไปรบมือกางตัง ใคนบูกรมันซื้อหรือว่าจะแกหรือไม่แกห้องตรงมีจุดอ่อนอยู่ตรงนี้ใครว่าแก่ไม่ได้ทีเดียวห้องตรงพวกที่ไม่ทำจะขาดคํทาทหารก็เข้ามาบอกว่าบักนี้กองทัพหน้ามีกังตังยกมัาใกล้กองทัพเราแล้วห้องตรได้ฟังดังนั้นก็ไม่ต้องฝังใครอีกแล้วจับนาได้ก็เพนขึ้นหลังมาจ่ อ, อไปรบกับข้าทุกทีเดียวงอ สถานาบุญก็ช่ยกันห้าม้องตงก็ไม่ฟังควบมาตะลุย อ, ออกไปเลยทีเดียวงอบปังเห็น้องตงไม่ฟังเสียงเลยก็สั่งปองศิษ์ให้คุณหัานออกไปช่วยฝ่าย้องตงไม่ควบมาไปถึงหน้าทับมือกันตังก็รำเงาบนหลังมา้ายังเข้คาคล่อมว่องไวอาถา น, นและก็ร้องเข้าไปว่าพัวกเจี้ยงหม้ทับมือกันตัง เร่งออกมาสู้ดูฝีมือกันกับเราในะบัดนี้เถอะรุ่งราวของสามพรตอนนี้เริเกว่กองทัพที่ประดับประดาไปได้วยโทสะนี้ของพระเจ้าเราปีพรีพาเข้าประชิดติดแดนก่างๆของพระเจ้าเหมือนกันพระเจ้าสุมกวนแล้วนะครับ กันหักฉากแหวกซุ่มหวนผู้เป็นหลานซุมกวนแพ้ทีนี้จากการที่พระเจาเราอปีได้ประชุมขุนนางทหารทู้จาภาทีก็พูดประชุมสังขารนี่แหละว่าทหารขู่ประไทยแต่เก่าแต่ก่อนนู่นก็ต่างกแก่ก็เฒ่าไปต้องตามกันเนี่ยว่าดหวาไปในํานองนี้ ยังดีนะทีนี้หลานทั้งสองอยู่คือเปียวเปากวนหยิงนี่พระเจปีก็พูดกับธรรมะเนี่ยาหารเท่าพวกมึงเออจล้วกว่าจุดออนจุดแก่รู้ยัไงก็ตามมาเมีเป็นด้อยอีกคนนี้หองตรงหองตรงหองตรงสูกล่าวโด้ว่าเป็นผู้มีที่อทัดเทียมกับกวนหยูเคยรบกับกวนหยูแล้วก็ตรง พูดเลยว่าเอาถึงแพถึงชนากันยังไม่ได้ทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายนี่แหละแล้วก็ในจำนวนห้าทหารเสือเนี่ยของพงษ์ก็เป็นหนึ่งในห้าทหารไม่ดูเหมือนกันขอ ง, งพงผู้เฒ่าเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบเศษนะครับเจ็ดสิบเศษโกรธนักขีเดียวแต่ก็ไม่ใช่เป็นการโกรธแค้นหรอกรู้สึกว่ามันเป็นการรู้ถูง สู้กับคนแก่นะมันจะกระหนากระนาแค่ไหนก็เพลงขึ้นหลังมาถือทวนออกมารบด้วยหองตกงหองตรงมันก็ทำท่าหล่อรวงไปมาต่างๆสู้กันไม่ทันถึงสามเทเหงหองตรงก็ฟันวิ่งงาวถูกสีเจ็กตกมาตายฝ่ายพวยเจี้ยเห็นสีเจ็กตายก็ตกใจทีเดียว ของเอื้อนอูซึ่งเป็นยึดไว้ได้เนี่ยโอ้นี่ความในตอนนี้เป็นต้องเรีว่าความตนนี้สับสนนะครับกระขอภัยท่านผู้บังคัความตอนก่อนน้นเราได้บอกว่าอยหยินใช้ใช้เงาของเนอูนี่แต่ความที่มีตอนนี้นี่เขามาระบุว น, นีเลยต อ, อตอนนี้ถกสารกบสมปั่นเป็จริญญาประคังตอนที่64หน้าที่417 มีต้องว่ากันเป็นความไปเลยนะครับเอากันอย่างนี้เลยมันทับที่สิบห้านี่ฝ่ายพัวเที่ยงเห็นสือเจ๊กตายก็โกรธจึงจับเอาเงาของอ่วนอูนซึ่งได้ไว้นั้นนี่น้ากวนอูนิ่นามาริ่มตน้นมาอยู่กับพัวเทียงขึ้นมาออกรบด้วยหองตน้นรบกันไปมาได้ส5ห้าเพลงไม่แพ้ไม่ชนะกัน ปวดเตียงเห็นว่ากำลังของหฮองตงเลยยังมากนะถึงจะสู้ไปอ่ะตนเอ็นี่แหละจะแพ้แกฮองตงทิ้งกันนั้นแล้วก็ควบมานี่กลับเข้าค่ายเพืวดเตียงผู้ประมาทฮองตงก็ต้องหนีฮองตงกลับเข้าค่ายออกมาประทะกับฮองตงทหารเท่าวัยเจ็สิบเกินผู้นี้เดีเพียงสี่ห้าเพลง หนีกลับเข้าค่ายเลยฝ่ายฮองตงเห็นหัวเตียงขวบมาหนีก็ไล่ตามแต่ก็ไม่ทันครั้งแรกไม่ทันก็กลับมากลับมาถึงกลางทางก็พบอ้วนหิงเตี้ยวเป่าฮองตรงก็ถามว่าจะไปไหนอ้วหญิงเตี้ยวเป่าก็บอกว่าพระเจ้าเราปีพระปิตุลาพระเจ้าลุนใช้กระจั้งสองตามมาช่วยท่าน บัดนี้เพื่อนก็มีชัยชนะแล้วขอเชิญทพ่อนกลับไปเถิดตรงตามที่เราปีบอกเลยพี่เดวะให้มาตามกลับเนี่ยแต่ว่าให้ดูซะ ก, ก่อนนะแถวฮองตงเลยทําความชอบัะหน่อยหนึ่งแล้วก็ถึงบอกว่าเราเรียกให้กลับลวะนี่เขาก็เข้าไปอย่างนี้บัดนี้ท่านมีชัยชนะแล้วเชิญเพื่อนกลับไปเถิดฮองตงก็ยินว่าะเรารบยังไม่เป็นกําลังฝีมือเลย ยังไม่กลับก่อนยังไม่กลับว่าแล้วก็พากันมายังไข่งอ่อบั้งทีนี้ขั้นฝ่ายพวยเทีเสีอทีแกห้องตรงแล้วเนี่ยก็กลับไปนอนตึกกรองคิดที่จะฆ่าห้องตรงก็จะไม่จิ้วไทยขมันไปซุ่นอยู่ในป่าข้างฝ่ายซ้ายแต่พวยเทียงเนี่ยผู้วางผู้วางแผน เด็กชีวิตกวนอูที่ล่วงไปจนถึตกหลุมพรางอ่ะกวนอูตกหลุมพรางไปพร้อมกับเจบมาเซกเทาแล้วก็กวนอูจบสิ้นชีวิตไปนี่ก็เปิดเกี้ยอยเป็นผู้กระทาคนเดียวทีนี่นี่เขาเคยสังหารกวนอูมาแล้วก็คิดอุบายจะฆ่า้องโงให้ได้ก็สั่งให้จี้วท้ายขุหันไปซุ่มอยู่ทางปากขั้นซ้าย แล้วก็ให้ฮันตงนะครับฮันตง๋งฮันตง๋งมีกองทหารเกา่เาตั้งแต่สุม่มอ้วนขึ้นคลองราบใหม่ๆเอยฮันตง๋งอยู่นป่าข้างขวามีนี่ป่าไปสุ้ข้างซ้ายไปสุ้มข้างขวาเล่งทองไปคุนทหารซุ่มอยู่ข้างหลังมาตรงให้ขึ้นไปอยู่บนภูเขานี่ กองทัพซกองให้ไปซุ่มซ่อนอยู่ในที่ลับแล้วผวกเจียงก็บอกพูดว่าเราจะเข้าไปยอกเยยชวนฮองตงให้ออกมารบแล้วเราจะทําเป็นแพ้ควบมาหนีมาทางนี้ถ้าถหลวงฮองตงไห้เรามาได้ทีแล้วให้กองซุ่มทั้งปืนเนี่ยรบกระหนากรวมจับตัวฮองตงฆ่าเสียให้จนได้ แผนของผียองที่ไปวางแผนไปเสร็จแล้วก็เอาตัวเองนี่แหละออกเป็นเหยื่ยลอลอบดูทีว่าจะสําเร็จพเผดยองวางแผนสั่งทหารทั้งกลุอย่างดีทหารทั้งสิ้นวาวนั้นส่กองก็ไปกระทําตามคําสั่งทีว่าจีนถ่ายไปซุ่มอยู่ป่าฝ่ายซ้ายหันตรงไปซุ่มป่าฝ่ายขวาเหล่ทองทอมอยู่ด้านหลังมาตรงอยู่บนภูเขาพร้อมด้วทหารจำนวนหนึ่ ก็แต่งตัวถืงนาวตอ น, นี้ไม่ต้องบอกแล้วว่าก้นเงาวของอุ้มอูขี่มาไปมากคายงอปั้งแล้วก็ร้องเรียกของตงทีเดียวว่า้องตรงทหารเท่าแต่วนันนี้เรารบกันเนะี่ยยังไม่สนุกวันนี้เร่งออกมารบกันอีกเอาให้ถึงแพ้ถึงชนะเถอะของตรงได้ยินตัวเติยงร้องมายังก็กลั โครธมากจับเงาเพ่งขึ้นหลังมาออกไปรบฝ่ายงอปัน้นปอนหินเปียวเปาสามคนนี่ก็จปนพูดว่าคองเตนท่านก็ชราอยู่แล้วข้าพเจ้าจะขอออกไปช่วยรบของตนก็ห้ามวาท่านอย่าออกไปช่วยเลยแต่เราจะคุถารออกไปรบแต่ผู้เดียวเอง ว่าเดี๋ยวฮองตงก็คุ 5, มทหารห้าพันนี่ตรงไหก็เป็นทหารของกองทัพมาะคือเป็นทหารของเงาปั้นอ่ะเพราะฮองตงมากับพระควบเรียงหกคนตรงนันฮองตงคุมทหารของเงาปั้นเนี่ยห้าพันคนยกออกไปแล้วก็ยังสั่งให้ทหารไม่อยู่แต่ไกลน่ะไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปรบอ่ะให้อยู่แต่ไกลนะ ไ, ไ, ไก ล, ยกลยอยู่ห่างๆตัวเราจะเข้ารบกับหัวเจีงแต่ผู้เดียวเอง ถ้าแล้วฮองตงก็ขับมาเข้ารบ ก, กับผัวเจียงฝ่ายผัวเจียงก็มาถารมีชื่อของกันตังฝีมีก็พอจะป้องกันตัวได้อยู่ละก็ออกมารบ ก, กับฮองตงสู้กันไม่ ท, ทันท้งสองเพลงผัวเจียงก็ทําเป็นแพ้อีกพวบม้าหนีฮองตงก็ไล่ติดตามด้วยความโกรธข้างฝ่ายทหารก อ, ง, ง, อ ง, กงซุ่มของผัวเตียงสิ เห็นหองตงไล่เข้ามาถึงที่แล้วได้ทีกระนั้น mm. ก็โหร้องยิงเกล้าทันรบกระนาบล้อมองตงเข้าไว้องตงตัวผู้เดียวฝ่ายหงตรงตัวผู้เดียวอยู่ท่ามกลางกองวอมของทหารทึสี่กองตกใจทีเดียวบัดนี้เป็นหลงนกลืโผตรวตกเข้ามาอยู่ในอู่ไมเขาตรงนี้ mm. ก็คิดจะรบฝ่าออกไปให้จบนมาก จะใช้สีมีเตนมยามชวานีแหละรบฟาดศึกแหวกล้มล้อมออกมาให้จนได้ละก็รบพลงถอยพลงก็พอดีทหารที่อยู่บนภูเขานุ่นทหารอีกหนึ่งอยู่บนภูเขาของมาตงเลยยิงเกาทันระดมมัดถูกซอกคอเข้าทันหนักแทบจะตกจากหลังมาแต่แต่ฮองตงก็ยังมานะรบอยู่ได้ นี่เกาทันถูกซอกคอเลยทหารของผัวเตียงก็เห็นเช่นนั้นเห็นฮองตงทหารเท่าของเสยวนเนี่ยยอดทหาสือของพระเจ้าอ่ำปีเนี่ยถูกเกาทันเขา้าติดซอกคอแล้วก็จริงหรอกแต่ทหารทั้งพวงของผัวเตียงจำนวนอนวันุญามากกว่ามากนะับจนเกินกว่าที่จะนับได้ก็ยังไม่อาจกล้าเข้าไปจับฮองตงได้ เตือนหคือฮองตงไม่ให้ไม่ไม่ให้ออกไปด้วยแต่ก็ออกไปดูเห็นการสู่รลกเห็นฮองจงติดตามหัวจริงไปไล่ตามหัวจริงไปนะ่ะแล้วก็ยินเสียงโห่โร้จงจนมันวันวหวมากมายนะ่ะก็รู้ละรู้ว่าเขารอมจับฮองตงเบียวเปล่าเตือนหินก็คุจทหารห้าพัน 5, ไปแหกเข้าไป ทหารมีการต่างนันแย่แวเป็นช่องไปเลยทีเดียวก็ได้พบหองตนถูกเกาทันเขาที่ซอบคอสาหัสอยู่ก็เข้าชักมูอเกาทันออกแล้วก็พยุมฮองตนกลับไปยังกองทัพหลวงฝ่ายพระเจ้าเล่าปีรัวหองตน โดนเกาทันเก็บหนักสาหัดนักฉะนั้นแล้วก็ระมือ ด, ดุลซอกคอเนี่ยจะส่วนไหนของค อ, งองก็ตามเห็นะมอา่ามันก็ต้องสาหักนักละพระเจ้าเราปีรู้ฉะน้นก็สเสด็จออกมาอามูลุ่ยห้องตงแล้วก็จึงว่า้องตงท่นไปรบครั้งนี้ เป็นเพราะว่าเราว่าท่านแก่ชาราแล้วจะทํำราชการไม่ได้ท่านกโกรธจึงไปรบจนต้องบาเดเจ็บทางนี้เพราะเราเราขอขมาท่านเถิดพระเจ้าลับปีรับสั่งชนิดต่อหน้าห้องตรงทหารเสือคู่พระภัยคนหนึ่งหนึ่งในห้าทหารเสือก็ห้องตรงนี้ด้วยล่ะ เร่ยกว่าทหารก่าที่ออกสู้รบกันมาแต่ก่อนโองกาบต่อนหน้าผู้ที่ใกล้จะถึงแก่ความตายดังนี้คือขอขามาเลยของเต็งก็ทูลว่าข้าพเจ้าเป็นชาติาทหารทำราชการสนองพระเดชพระคุณ ม, มารชานานแล้วจะกลัวอะไรแก่ความตายและอายุข้าพเจ้าก็ได้ถึงเจ็ ควรที่จะถวายบังคมลาตายอยู่แล้วแต่พระองค์จะบำรุงแผ่นดินต่อไปข้างหน้านั้นจะทําการสิ่งใดขอดำริให้ดีเถิดฮองตงไม่ได้ห่วงใยไม่ได้หวานวกลัวแต่ความตายที่เป็นกำลังเผชิญอยู่ต่อมหนาแม้แต่น้อยยังห่วงต่อไปถึงแผ่นดินห่วงต่อไปถึงการของพระเจ้าเราปี ขงตรง ว, ว่าเท่านั้นแล้วพิษยาพิษจะแผลเกาทันนั้นก็ยิงขึ้นมาและแผลเกาทันนั้นก็เฉดกัน ให้แต่งการศพตามบรรดาศักดิ์ของนายทหารเสือผู้ใหญ่นำศพของตรงไปฝังไว้ณเมียงเสฉวนแล้วพระเจ้าเราปีก็จึงคิดต่อไปอีกว่าเรามีนายทหารผู้ใหญ่อยู่ห้าคนบัดนี้ก็ตายไปแล้วสามคนก็ยังไม่ได้แก้แค้นเรา คอนอูตายเปียวฮุนน ต, ตายมาบัดนี้ฮองตงตายอีกสามอีกสองนั้นเราคือใครจูล่งมาเฉียวที่ยังอยู่แต่เราปีบอกว่าบัด น, นี้ก็ตายไปสามคนแล้วยังไม่ได้แก้แค้นยังได้ความอับยศแก่คนทั้งปวงนะแล้วพระเจ้าจเราปีก็สั่งให้ยกกองทัพไปยังตำบลจูเติง ทารหนายทัพนกองเข้ามาสั่งว่าให้แยกทัพออกไปทั้งหมดเป็นแปดกองทั้งทางน้ำทางบกฝ่ายทัพ บ, บกนั้นเราจะดูแลไปอีกฝ่ายทางน้ำนั้นให้เอาห้องกวนเป็นนายทัพคุณทหาร การทับของมูลการตัง้งคือฮันโตนย่ไทยประหลัดทับพร้อมตั้งหัวเจียงเมื่อหลวงพ่อเจ้าเราปียกทัพมาถึงก็จัดแยงคุมหั น, นยกออกไปรบละคือตอนพระเจ้าเราปีนี้นำทัพมาไม่ถึงบัดนี้พระเจ้าเหาปีสั่งเครื่อนทัพมาถึงแล้วนี้ทั้งสามนีก็จัดแยงคุมหั น, นยกออกไป ครันไปใกล้ทัพกันแล้วฮันตงจีไผยก็ขี่ม้ารำทวนอยู่หน้าทัพแลไปเห็นเครื่องสำหรับยุดธงทิวลวนแต่เหลียงทั้งสิ้นก็รู้ว่พระเจ้าราปีมาเองก็ร้องเข้าไปว่าพระเจ้าแพ่นดินเมืองเสฉวนใดคนดีมีสติปัญญาไว้ทน้งบำรุงแล้วอ่ะเป็นไรเนี่จึงต้องยกทัพมาเอง ถ้าเพี้ยนพร่ำชุกแลเหตการณ์บนบัด น, นี้เจ้าใครแก้ไขต่อภายหลั ง, างการโกงก็ไปยิงก็เป็นการถูกต้องละแต่มันก็แฝงด้วยความเยอ่อย่างอย่างยิ่งอยู่หมดทาไมต้องเสด็จยกทัพมาเองอะ่ะพระเจ้ารอปีนไปยินแล้วก็โกรธมาทีเดียวก็ร้องว่าไอ้พวกเมืาาม่อไาถามเดิการตังมึงมาทํามันกระจายแก่น้องกูเหมนหนึตัดปีนกูเสียทั้งสองข้างนี้ให้เดิน เูได้ออกปากเลยแล้วว่าพวกมึงคุณไม่ขอเห็นหน้าร่ม่มฟ้าร่มแผ่นดินด้วยเลยฝ่าฮันฟงจิ้ว่าย น, นั้นคงไม่ได้ตอบประการใดถูกด่ากลับมาอย่างนี้อย่างหนักอยู่ไม่ตอบหรือหังไปถามทหารทีเดียวว่าผู้ใดจะอาสาขรัรถก็มีฐานคนหนึ่งชื่อแฮซุนเขารับอาสาที่จ อ, อกรถแฮซุน ยังก็ถือทวนขึ้นมาออกไปรำทวนอยู่ฝ่ายพระเจ้ารอปียีนทับอยู่นะเดียวเป่าขี่ม้าถือทวนยืนเคียงอยู่ครั้ น, นแฮซุมฐานมืต่างๆขี่ม้ารำทวนออมาเชนั้นเดียวเป่าวก็โกรกร้องระหวะดออกมาไดเสียงส น, นั่นทีเยวแล้วก็ไม่ต้องกราบบังคมขออนุญาตระดมใดอย่างไรแล้วเดียวเป่าวดี สารกก็ควกมากรงออกมาจะรบด้วยแฮสุนแฮสุนได้ยินเสียงเตียวเปาร้องประหวาดมาเนี่ยเตียวเปลานี่ลูกเตียวหุยจเจ้าเตียวอีเตหุยเนี่เคยประหวาดมาเนี่ยซุดเลยประหวาด ม, มาถอยหลังซุดเตีวยวเปลานี่ก็เสียงสนั่นเท่นกันละแฮสุนได้ิเสียงเตียวเ ป, ประหวาดนะตกใจจะขับมาเหนียวดีๆ กิวเพงมองกิวพ่ายเห็นแฮซุจนจะหนีก็ขับม้ารำนาออกมาช่วยอ้วนหินเห็นกิวเพงขับมาออกมาช่วยอย่งงางนั้นน่ะอ้วนหินก็ขับม้ารำนาออกไปรบกับกิวเพงทั้งสองฝ่ายต่างรบกันอยู่ล่ะเปี๋ยวปล่า น, นก็ร้องกระวานอีกคือใช้เสียงเปนอาวุธ ด, ด้วยแล้วก็สะอึก้าไปเอาทวนแทงตกแฮซุนตกมาตาย แฮซุนีวันหวาดเสียขวัญไม่เสียเงินสนั่ น, น, นปานฝ้าล่นงของเตียวเปาอยู่แล้วก็พลาดท่าถูกเตียวเปาแทงด้ทวนตกมาตายไปเล ย, ฝ, ย, ฝ, เลเลยเฝ่ายกัวหมินด้วยทีก็ฟันจ่้วเพิงด้วยเงาจิ้วเงตายอ้าวทหารฝ่ายกลางต่างทั้งสองแฮซุนีถึงตายทั้งคู่ แลว้วคนหินเดียวป่าก็ับม้าตรงเข้าไปจะรบกับขันตงจีไทายขันตงจินทยทหารเก่าฝีมืดีของเมืองต่างๆเห็นคนหญิงเตียวป่าสองฐานหนุนฝีมือยอดเยี่ยมกว่าตัวก็กลับมาเพนไม่กลับเข้าค่ายคนหญิงเดียวปาก็ขับมาไล่ไปตามไปทีเดียววายเพื่อเจ้าเราปีอะ เห็นที่มีกวนหุ่นเตี้ยวเปล่าจนนี้ก็คิดถึงกวนอูเตียวหุยคิดถึง้องลูสมาลทั้งสองด้วยหลานทั้งสองนี่ฝีมือฉกาจฉัดกันรุมแรงรวดเร็วจนพลังพัดเพียงกันเลือเกินลูกชาติเสือโดยแท้พระเจาะรอปีก็สนเสริญคนทั้งสองว่าไม่เสียทีไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นลูกเสือและก็สั่งทหารบกฐานเรือให้ดากันเข้ารบร้อมอักเอาค่ายได้ ข้าฟันฐานเมืองกังสังล้มปลายเป็นอนมากที่อยู่ัดท่ายด้ทยสำเม็ตเลย เ, เ, ล, ยเลือดไหลนองทั่วมหลังเท้านีจบชีวิตไปเท่าไรตัวเท่าไรกันขนาดเลือดเนี่ยทั่วหลังเท้าฝ่ายกามเหริงแม่ทัพเรือเมืองกังตังอยู่รักษาทัพเรือได้ยินเสียงโห่ร้องอีอิงทหารแต่ตื่นก็ตกใจ ก็ถอยเรือเข้าฟังขึ้นมาหนีไปทางบกเหมือนกัน ข้างด้านกองทัพเรือของมึงต่างต่งนะครับคือกำเหลงเนี่ยก็พลอยแท้ด้วยบ่าขึ้นบกหนีที่นี้ข้างฝ่ายสมโขมเจ้าเมืองลัมมันสิ่งที่กองทัพมาชกี่ยวกัเจ้าราปีนั้นน่ะพระหนนกำเหลงขี่มา้าหนีมาสมโขมก็สั่งทารเอาเกาทานยิงไปถูกหน้ากำเหลงแทบตกจากหลังมานะ่ะแต่ไม่ตก กำเหลงพยายามรวบรวมกำลังบังคับม้าจนหน้าแล้วก็ชักพวกเก่าวพันแต่ก็ทักไม่ออกก็ขับม้าหนีไปยังตำบนอูตี่มีความเจ็บปวดรวด ร, ร้าวมากยิ่งนะัดด้วยพิษกาวพันน่ะกำเหลงก็ลงจากหลังม้าเข้าไปนั่งยินต้นไม้ใหญ่อยู่พิษกาวพันกำเริบกลุ้มขึ้นมากำเหลงก็ถึงแก่ความตาย กาอีกานะกาทึ่ทำรังอยู่บนต้นไม้มันก็ลงมาล้อมศพกำเหลิงไว้นี่เป็นอัศจริย์อยู่เป็นอัศจริย์อยู่ทีเดียวส่วนว่าทหารที่เหลือตายหนีไปได้นั้นก็เีอความไปแจ้งแกพระเจ้าสู่มควรพระเจ้าสุ่มควรได้แจ้งว่ากำเหลิงตายแล้วฉะนั้นก็ร้องไห้รักร่ำไยว่าเสียดายกำเหลิงนะัก าหาไหนได้แล้วก็จบ ง, งานไปแต่งการศพฝังไว้นาตำบมอูปปี้และเดูพฤติการเหตุการณ์อันประหลาดที่เกิดขึ้นคือว่ากาซึ่งํำรังอยู่บนต้นไม้ลงมาร้อมศพกเํเริงเป็นกระจจางรู้กันทั่วอยู่นั้นพระเจ้าสุงกวรก็สั่งให้ปู่เป็นสารเทภารัไว้ตรงหน้าที่ฝังศพ กามลืมฝ่ายพระเจ้ารอบปีได้ชัยชนะแล้วนี่ได้ชัยชนะรีรีรๆเข้ามาถ้าเกิดว่าการสูญเสียฝ่ายเสยชวนคือฝ่ายพระเจ้ารอบปีก็สูญเสียถฐา น, นใหญ่ไปนคนนึง คือหันต่าขอไปห้องตรงห้องตรงนะครับห้องตรงทนี่ขัข้นขั้นการต่างนี่ก็สูญเสียหลายคนละนี่ดูพราะกำเนิดนี่ก่นในฐานใหญ่ของกงลางต่างอ่ะเอาว่าบัตรนี้พระเจ้าเราปีได้ชัยชนะแล้วไปฐานทัพวงกลับมาตรวจปลาดูเห็นหันนัพปวงพร้อมมากมมากันอยู่สิ้นนะแต่พร้อมมากกันอยู่สิ้นแต่ กวนหินมันหายไปก็จึงสั่งเตียวเป่าต่อเลยว่าพี่ชายอะ่ะให้เที่ยวคุมขันแย่ยายติดตามคนหากันเป็นหลายทางเตียวเป่าก็คุ้มขันแยกย้ายกันออกติดตามหากวนหินกลายว่ากวนหินที่หายไปเนี่ยถือว่าก็ดังกล่าวแล้วผู้ที่ทำให้กวนอูถึงแก ค, ความตายนั้นก็ผัวเจี้ยง และผู้ที่วางอุบายฆ่าของตรงฐานเท่าเจ็สเซกก็ผัวเตียงเนี่ยห mm. ุ่นหินเนี่ยขนาดเท่า ก, กันอยู่เลยเห็นผัวเตียงผู้หญินก็จึงทิ้งกองทัพเลยขับม า, าไล่ติดตามผัวเตียงไปหวังจะแกะแขนผัวเตียงแต่แขนแทนบิดาให้ตรงได้ะ ขับมาไล่ขยิบขยี้ยไล่ปิดตามกันอยู่ไนาดนั้นกนกระทั่งเวลาค่ำผัวกเกียร์หวาดกลวัวอวนหินยิ่งนะกบุตรเา็นยาโยมไปตามเลยทีเดียวผวกเกียก็ขับมาหนีลับตาเข้าไปในระหว่างเขาครั้งค่ำลงต่างคนต่างก็แลไม่เห็นกันอวนหินจะกลับมายังกองทัพหลวงหรอก็ไม่รู้ทางซะแล้ว แตชัดมาเดินตลบวนเวียนไปตามแสงเดือนพระิี่ประจัสองเห็นทางในบังก์ก็สมควรเป็นประมาณสองยามก็ไปพบบ้านเขาหลังปลูกยูริมเขาเวรหมินก็ลงจากหลังมา้าเดินเข้าไปเคาะประตูเรียกชายชาราเจ้าของเรือนได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูเรียกก็ออกมาเปิดประตูรับแล้วก็ถามว่า ขึ้นมาแต่ไหนมีธุระกังวนสิ่งใดจึงมาดึกดื่นชะนิโอ้หนุ่มก็ตอบว่าเราเป็นทหารรบไล่ฆ่าศึกมาจนค่ำลงก็จึงหลงทางจะขอข้าวานกินสักมื้อนี่ว่าชายชราผู้นั้นก็จึงว่าเชิญเชิญท่านขามานั่งข้าไมนเถอะ ขบเจ้าจะหาอาหารให้กินว่าแล้วชายชรานั้นก็จุดตะเกียงจากที่ทายควนหินนั่งอยู่ตัวเองก็ไปหาอาหารจะเอามาให้ควนหินกินควนหินทนหินชายชราผู้นั้นปาจุดตะเกียงสว่างขึ้นก็แรงเห็นรูปเขาเรียกว่าเห็นฉากรูปกวน อ, อูผู้บิ ด, ดา ผู้ชายฉราแขวนไว้บูชายอยู่ น, นั้นนี่ ร, รูปของกวนอูนิ่เป็นที่บูชาเลยกวนอิ๋นเห็นฉนั้นก็กคบลงกราบไหว้แล้วก็ร้องไห้ชายฉราแล้วก็จึงถามว่าเป็นไรอะ่ระถ้าเห็นรูปฉากนั้นแล้วกราบไหว้แล้วจึงร้องไห้อะ่ะกวหญิ๋นก็บอกว่า ร, รูปนี้ คือบิดาข้าพเจ้าเองชายชาราเจ็บของบาง้านไดยินดังนั้นก็พิเคาะดูรูปแล้วก็มองดูกวนหินเห็นคล้ายคลึงกันชายชาราเป็นก็ก้มลงกราบไหว้กวนหินเลยกวนหินก็ถามว่าเหตุนายประการใดอย่างไรอ่ะนจึงจเขียนรูปบิดาเราไว้ชนิีชายชาราเนี่ยก็บอกว่ารูปคนนี้เนี่ย เมื่อท่านยังเป็นอยู่เมื่อท่านยังเป็นอยู่เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นเร่องเล่นับถือท่านทุกแห่งเมื่อท่านผู้นี้ตายแล้วก็เป็นเทพรักษ์ศักดิ์สนะิทธิ์นักพระบจ้าประชาบ้านท่างปวงในจังหวัดนี้นับถือนะยิงเขียนรูปเอามาไว้บูชาทุกเรือน แล้วชายชาราพู้นก็ไปจัดข้าวเหล้า อ, ออกมาเชิญคนหินกินแล้วชายชาราผู้นั้นก็จูมาคนหินไปผูกไว้แต็กทุนปิดประตูบ้านแล้วก็ขึ้นมาบนบ้าน สายแสงเดือนไปนี่แหละข้าดึกเข้าจม้าที่ขี่มันก็นั้ทางเล็ดลอดเที่ยวมาด้วยตามทางนี่แหละและมีท่านบันทึกไว้ชะนี้ดยครับเป็นกรรมของผวดเจียงที่จะตายจึงพระเอินให้มายังบ้านชายชาราที่กวนหินได้มาอาศัยอยู่นี่ดูเถิดดูเถิมันจำเพาะตัเด็กกลับมามาที่บ้านนี้ พี่พวยเที่ยงขี่มารมมาก็มาบ้านหวังเนี่ยกดกลมเข้ามาที่บ้านวังนี้รวมจากหวังมากขอไปเคาะประตูเรียกหนึ่งกลาแหละหนึ่งกวนหินมาเรียกเนี่ยแต่กวหินอยู่ข้างในเราตอนนี้พวยเที่ยงมีมาพู่มาถึงก็มาเคาะประตูเรียกเห็นชายชารานั่งดูให้กวนหินกินอาหารอยู่นะ ขอไปครับคือคว่ผัวเจียบมาเคอประตูเรียกอยู่เนี่ยทีนี้ข้างฝ่ายชายชาราผู้จัดหาข้าวปลาอาหาร เ, เราญาติป้าปุ้มบอกว่าอย่างนั้นเอะมาเว่ยนดูคนหินเงียบเงีมั่งดูคนหิก น, นหกินอาหารอย่างเนี่ย อ, อพอกินเสร็จคนหินกินอาหารเสร็จก็ได้ยินเสียงคนเคอประตูเรียกคือผัวเจียบมาเคอประตูเรียกอะ่ะชายชารานี้ก็เดินลงมาแล้วก็ถามว่าท่ามาแต่ไหน ตุราตังวลอันใดที่มาเรียกเราดึกดื่นป่านนี้ผัวเตียงก็บอกว่าเราชื่อผัวเตียงทหารมีอการต่างพี่มาเนี่ยจะขออาศัยท่านจนกว่าจะรู้นี่ย้อนกลับไปนิดหนึ่งตอนผัวตอนวกวนอินมาเคาะประตูเรียกเนี่ยชายธรรมดาทีก็ถามเช่นนี้ยมาทําไมไปไหนอย่างไรวกวหญินบอกว่าเราเป็นทหารรบไล่ฆ่าสึดมา ชวนค้ามหือนทางนี่ก็วัดหุ่